เป็นผ้าห่อศพนะเป็นผ้าคลุมศพเพื่อมาทําเป็นผ้าอาบเพื่อมาปิดกายเวลาอาบน้ํายังไม่ได้วินยัยไม่ยังไม่ได้บัญญัติเป็นพระวินัยนะว่าพระพิสูจน์ต้องมีผ้าปิดกายเวลาส่งน้ําสมัยนี้จะเรียกว่าส่งน้ําแต่ครั้งพุทธกาลยังอาบน้ําอยู่ซึ่งถ้าโดยหลักตามวินัยแล้วพระพิสูจน์เนี่ยจะนุ่งกางเกงในอาบน้ําก็ไม่ได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตไว้ก็อนุญาตให้ใช้ได้เพียงผ้าอาบน้ำฝนอย่างเดียวเพราะว่าในช่วงขบันศาเนี่ยก็จะติดเป็นฤดูฝนตลอดระยะเวลาสามเดือนฝนอาจจะหนักมากกว่าปกติก็เลยอนุญาตให้พระภิกษุเนี่ยนำผ้าอาบมาเพื่อที่จะเอามาปิดกายเพื่อให้จะได้ไม่เกิดความไม่สวยงามขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมา ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ใช้เวลามาพอสมควรการเวลามันก็เปลี่ยนไปเราถวายพราอาบแล้วก็ถวายเทียนจ ำ, ำนำพรรษาในแต่ละปีก็เช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยญาติโยมศรัทธาวัดไหนมากเขาถวายมากมากจนเกินไปมากจนพระไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็มี จนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากถวายเทียนจำนรรษากลายเป็นหลอดไฟเพื่อความสะดวกสบายของพระพิสุสง์ในการใช้แต่สิ่งที่ชาวพุทธจะต้องทำคือทำตามประเพณี ประเพณีของชาวไทยประเพณีของชาวพุทธที่เราจะต้องทาไวเพื่อไม่ให้มันสูญหายเพื่อไม่ให้มันตกหล่นไปการถวายเทียนจานำปรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหนึ่งปีเราก็ทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเราจะทำได้ในช่วงวันเข้าพรรษาเท่านั้นเองเราไปถวายวันอื่นเราก็ทาไม่ได้เพราะไม่ใช่วันที่อนุญาตไว ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีวันและเวลาของมันเนาะเหมือนญาติโยมทุกคนที่เข้ามาทำบุญในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อวันเวลาของมันมาถึงเนี่ยเราก็ได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะมา พอเรามีโอกาสเข้ามาทําบุญแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจก่อนที่จะทําบุญตั้งใจก่อนที่จะได้ตักบาตรข้าวสาอาหารแห้งตั้งใจเพื่อที่จะได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นตระกูลปู่ตระกูลตระกูลย่าตระกูลตาตระกูลยายตระกูลพ่อตระกูลแม่เชื่อว่าทุกคนเนี่ย ท, ทุกตระกูลเนี่ยต้องสูญเสียมาแล้วทุกตระกลูลไม่มีตระกูลไหนเลยที่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีแน่นอนทุกตระกูลเนี่ยต้องสูญเสียญาติพี่น้องอย่างแน่นอนและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราจะทําบุญอุทิศให้อย่างไรเราจะทําบุญอุทิศให้เช่นไรอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองก่อนที่เราจะ ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่เราจะได้นําข้าวสารอาหารแห้งมาใส่ในบาตรตรงที่หน้าพระที่ทางวัดได้จัดไว้ก่อนที่เราจะได้ถวายพระอาบก่อนที่เราจะได้วางผ้าเพื่อให้พระพิสุพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดญาติโยมก็ต้องทำความเข้าใจก่อนเราจะได้รู้ลาดับจะได้รู้ขั้นตอนของการทาบุญ พอหลังจากนั้นเราก็จะให้พระพิสุสงฉันพัฒหารเพลนแล้วก็ให้ญาติโยมทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มการแห่เทียนรอบวัดอิติสุขโตเป็นวัดแรกแล้วเราก็จะไปวัดหนองซอเป็นวัดที่สองแล้วก็จะไปวัดใหญ่คายคีรีเป็นวัดสุดท้ายแล้วก็จะมีทอดผ้าป่าด้วยที่วัดใหญ่คายคีรี ก็ทางวัดก็จะทำอย่างนี้เนี่ยทุกๆปีหนึ่งปีเราก็ทำได้แค่ครั้งเดียวเพราะนั้นก่อนที่ญาติโยมจะได้ทำบุญก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองให้ทุกคนค่อยๆหลับตาลงก่อนหลับตาลงอยู่ในความสงบทำกายเราให้สงบทำใจเราให้สงบพอตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็มีแต่ความว่าวุ่นใจอยู่ตลอดเวลาความว่าวุ่นใจใน สิ่งที่เราจะทำที่เรียกว่าความดีให้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็ย่อมเกิดความว่าวุ่นใจได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราปรับสมดุลในร่างกายเราก่อนปรับจิตใจของเราให้ดีก่อนนั่งยิ้มเข้าไว้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของเราอีกวันหนึง่ง วันนี้เป็นวันดีของเราอีกวันที่เรามีโอกาสได้มาทำบุญได้วาถวายพระอาบน้าฝนให้แด่พระพิสุสงได้มาถวายเทียนจานำพรรษาได้มาร่วมทำบุญใส่บาทมาฝังพระเจริญพระพุทธมนต์จิตใจของเรากว่าเราจะมาถึงวัดได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยเช่นเดียวกันกว่าเราจะยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจนเกินไปเพราะคนเราเนี่ยไม่ยอมรับความเป็นจริงของตัวเองคนเราจะรับความยอมรับความเป็นจริงของตัวเองเนี่ยยากที่สุดในโลกแต่เรายอมรับความเป็นจริงของคนอื่นได้แต่ความเป็นจริงที่อยู่กับตัวเองเรารับไม่ได้เพราะนั้นให้ทุกคนปรับสมดุลก่อนปรับร่างกายให้ดีก่อนกายเนี่ยที่มันเคยจับเคยหยิบเคย คิดเคยกระทำในสิ่งหยาบหยาบเราปรับให้มันละเอียดขึ้นให้กายมันอยู่นิ่งๆให้กายมันอยู่สงบลองสงบกายเราดูก่อนเราลองถามตัวเราว่ากายเราจะสงบได้ไหมพอเราดิ้นดนทั้งวันชีวิตเราเราดิ้นดนทั้งวันช้ามาก็ต้องหยิบต้องจับต้องยกต้องแบกต้องหามต้องคุยต้องเขียียต้องขุดนีกายเรานะ เราใช้มันมาตั้งเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราใช้กายไปด้วยความเหนื่อยลา้าด้วยความลําบากด้วยความยุ่งยากยุ่งเหยิงและเรายังไม่ได้ปรับเลยยังไม่ได้ปรับร่างกายเราเลยใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าเราจะทําตามคนอื่นเนี่ยเราทําที่ไหนก็ได้เราก็ไม่ต้องทําที่วัดเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้น ก็อาศัยความมักง่ายกันก็มีเยอะแยะทําบุญผ่านออนไลน์กันผ่านมือถือกันผู้ที่รับก็เป็นไม่รู้ว่าได้บุญหรือได้บาปผู้ที่ทําก็ไม่รู้ว่าได้บุญหรือได้บาปแต่เราต้องคิดถึงความเป็นจริงนะที่พูดให้คิดพูดให้พิจารณาทุกคนเนี่ยมีเจตนาที่ดีที่จะทํา แต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรขึ้นเราทำกันไปทำกันมาเราก็ไม่รู้ว่าทาบุญผ่านออนไลน์ทำบุญผ่านมือถือและพระไปรับเงินโยมตรงไหนมันง่ายเกินไปโอนเข้าโอนเข้าบัญชีโอนผ่านแอปผ่านอะไรเนี่ยพระรับเงินโยมตรงไหนโยมได้เอาเงินถวายพระตอนไหน ต้องคิดเนาะมันง่ายก็จริงแต่มันอันตรายสำหรับผู้ที่เป็นพระและก็อันตรายสำหรับผู้ที่จะทำบุญเช่นเดียวกันต้องคิดให้ดีเพราะนั้นก่อนที่ทุกคนจะทาอะไรเนี่ยพยายามให้กายให้พร้อมใจก็ต้องให้พร้อมก่อนเพราะแต่ละคนเนี่ยต่างคนก็ต่างมีความทุกข์ต่างคนก็ต่างมีปัญหาต่างคนก็ต่างมีความว้าหุ่นเดือดเนื้อล้อนใจกันทั้งนั้น พอเรามาถึงวัดเนี่ยเรามาเจอเพื่อนนานๆเราก็มาเจอกันครั้งหนึ่งปีอาจจะมาเจอกันครั้งหนึ่งเราก็ยังอยากคุยอยู่ยังอยากพูดอยู่แต่เราต้องเตรียมตัวเราก่อนเตรียมตัวเราให้ดีเตรียมตัวเราให้พร้อมเลยว่าในขณะนี้ใจที่เป็นกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกายเราหรื อ, อยังถามไปที่ใจตัวเอง ถ้าเรายังไม่เห็นใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังทำให้กุศลนั้นเกิดไม่ได้เพราะนั้นก่อนที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านจะได้ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะได้เตรียมตัวใส่บาตรคือใส่ข้าวสารอาหารแห้งเราก็จะได้เตรียมความพร้อมของเรากันทุกคนนึกนะต้องนึกให้มาก นึกถึงตระกูลปู่ตระกูลยา่าตระกูลตาตระกูลยายตระกูลพ่อตระกูลแม่หรือทุกๆตระกูลญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีดวงจิตดวงวิญญาณที่ลงรับดับขันไปแล้วเราก็สามารถอุทิศให้ทั้งหมดแต่เราอย่าคิดว่าเราจะทําแล้วจะถึงบางครั้งบุญที่เราทําอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะความตั้งใจเรามีไม่มากพอ ถ้ า, าความตั้งใจเรามีมากพอเนี่ยบุญถึงแน่นอนใจเท่านั้นที่จะส่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงฝั่งได้ใจเท่านั้นที่จะส่งให้ทุกสิ่งทุกอย่า ง, ป, ง, ง, า ง, ง, างประสบผลสําเร็จได้อยู่ที่ใจอันบริสุทธิ์ของเราเรามีใจที่หยากเรามีใจที่คิดปรุงแต่งอยากได้โลภยังมีความโกรธยังมีความหลงกว่าจะให้ใจเราเป็นบุญเนี่ยมันยาก เพราะนั้นถึงต้องบอกก่อนก่อนที่เราจะทำบุญแล้วก็ที่พูดที่อธิบายให้ฟังก็เพื่อรอเวลานิดหนึ่งเพราะญาติโยมที่เพิ่งจะเดินทางมายังไม่เรียบร้อยก็มีอีกหลายคนหลายท่านเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ต้องให้เวลากับผู้อื่นด้วยเรามาวัดคนแรกเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนดีที่หนึ่งเนาะเราคิดว่าคนสุดท้ายอาจจะเป็นคนดีที่หนึ่งก็ได้เพราะนั้นเราต้องให้โอกาส ทุกคนเราก็ต้องคิดว่าทุกคนเขามีเจตนาดีเหมือนเราเช่นเดียวกันทุกคนก็อยากมาทำบุญทุกคนก็อยากจะมาสร้างกุศลให้กับตุวเองเราก็ต้องให้โอกาสยังมีญาติโยมอีกหลายคนอีกหลายท่านที่ยังไม่พร้อมก็นั่งรอเวลาสักแป๊บหนึ่งก่อน เราจะได้ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราจะให้ญาติพี่น้องเรายังไงไม่ได้มาสอนให้งมงายไม่ได้มาสอนให้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องแต่เราต้องคิดเราต้องพิจารณาว่าตะกูลเราเนี่ยแต่ละตะกูเนี่กว่าจะมาถึงเราได้เนี่ยผ่านมากี่ชั่วอายุคนแล้ว ผ่านมากี่รุ่นแล้วกว่าจะมาถึงตัวเราที่มันนั่งหัวดํากันอยู่ตรงนี้ผ่านมากี่รุ่นเราต้องคิดเนาะบางครอบครัวลืมไปเลยลืมแม้กระทั่งชาติตะระกูลของตัวเองลืมไปกระทั่งชาติกําเนิดของตัวเองด้วยซ้ําไปบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ลืมชาติตะระกูลเลยอยากเป็นผู้ชายบางคนก็เกิดเป็นผู้ชายแต่ก็ลืมชาติกําเนิดของตัวเองจะไปเป็นผู้หญิงอีก ในนี้เขาลืมชาติตะระกูลคําว่าลืมชาติตะระกูลคือเราไม่ได้เข้าใจไม่เข้าใจการเกิดไม่เข้าใจในสภาพความเป็นอยู่ของตะระกูลว่าตะระกูลเรามีกําเนิดมีที่ไปมีที่มาอย่างไงเราจะอุทิศอย่างไงให้กับตะระกูลให้กับบรบรพบุรุษของเราเราไม่มีโอกาสได้ทําทุกวันแน่นอนความดีเราก็ไม่ได้ทําทุกวันความชั่วเราก็ไม่ได้ทําทุกวัน บุญเราก็ไม่ได้ทำทุกวันบาปเราก็ไม่ได้ทำทุกวันฉันใดก็ฉันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องดำเนินไปโดยธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างต้องดำเนินไปตามความปกติของมันถ้าสิ่งไหนมันดำเนินไปมากเกินไปแสดงว่าผิดปกติถ้าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราจะนั่งสมาธิทั้งวันเนี่ยมันผิดปกติแล้วเราจะนอนทั้งวันก็ผิดปกติเราจะเดินทั้งวันก็ผิดปกติ ถ้าความเป็นปกติเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปเราก็ต้องยืนยืนเราเมื่อเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งนั่งเดี๋ยวเราเมื่อเราก็ต้องนอนนี่คือความปกติของร่างกายมนุษย์ความปกติของจิตใจมนุษย์ที่จะต้องบังคับกายให้มันทำงานกายก็บังคับใจใจก็บังคับกายก็แย่งกันบังคับถ้ากายทาหน้าที่ก่อนกายจะบังคับใจ ว่ากูจะไปทางนี้นะมึงจะไปทางไหนเรื่องของมึงอากายบังคับใจแล้วพอเดี๋ยวกายใจมันคิดก่อนอีกใจก็บังคับกายใจมันรู้สึกเพลียรู้สึกง่วงอยากให้กายมันนอนอีกบังคับตัวเองยังบังคับไม่ได้เลยบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดแต่เราต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อให้รู้ตัวเองให้เข้าใจตัวเองในการที่จะทาบุญก่อน ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราจะเตรียมตัวทำบุญยังไงให้บุญและกุศลมันเกิดยังไงเนี่ยเราทำแล้วบุญที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้ไม่เต็มที่เพราะนั้นก่อนที่ญาติโยมจะได้ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ใส่บาตรพระ ลงบนอาสนะพระสงฆ์โยมก็จะได้ทําความเข้าใจก่อนเราใส่บาตรที่หนึ่งเราให้ใครแล้วก็นึกถึงเอาใส่บาตรที่สองเราจะให้ ใ, หใครเราก็ตระนึกถึงเอาบาตรแรกเราให้ตระกูลนี้นะบาตรที่สองให้ตระกูลนี้ต้องตั้งจิตดีๆไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งกันใส่ใครใส่คนแรกก็ไม่ได้ว่าเป็นคนเก่งเหมือนกันแล้วก็ใส่ไปค่อยๆ อ, อ, อธิษฐานไปบาตรนี้เราขออุทิศให้ตระกูลนี้นะบาตรนี้ ขออุทิศให้ตะโกลนี้นะบัตรนี้ขออุทิศให้นายนี้นายนั้นผู้ที่ล่วงรับไปแล้วขอใรับบุญและกุศลที่เราทําให้ในครั้งนี้อธิษฐานไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบและเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเอิบอิ่มอยู่ในใจ ถ้าเราเตรียมกายให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมเราจะเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นว่าเราทำแล้วเราหวังอะไรทำแล้วเราจะได้อะไรแต่ทำแล้วเราอย่าไปหวังมากจนเกินไปทำแล้วเราให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เราสมควรทำหรือไม่สมควรทำเป็นสิ่งที่เราสมควรได้หรือไม่สมควรได้ก่อนที่จะได้เชิญตัวแทนให้มาจุดธูปเพียนตรงที่โต๊ะหมู่แล้วก็จะเข้าสู่พิธีการก็จะขอใช้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เริ่มพิธีการพร้อมกันกว่าที่เราจะ รู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรทำสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำเนี่ยมันใช้เวลาคนเราเนี่ยมีความสามารถทุกคนมีสติมีปัญญาทุกคนบางคนก็มีปัญญามากบางคนก็มีปัญญาน้อยบางคนก็มีสติอยู่ตลอดเวลาบางคนก็ไม่มีสติเป็นเพราะอะไรเป็นปกติปกติของชีวิตมนุษย์ปกติของร่างกายมนุษย์ที่จะต้องปรับ เปลี่ยนสมดุลของร่างกายแล้วเบื่อเราก็ต้องหาวิธีมนุษย์มีสติปัญญาดีมากที่สามารถคิดค้นหาวิธีปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาปรับตัวได้ยิ่งกว่าจิงจกนะมนุษย์นะฉลาดมากเบื่อมากจะทํำยังไงต้องหาวิธีหาวิธีคลายเครียด ต, ต้องไปโน้น ون, ต้องไปนี้ต้องไปนั้นแต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่าเราจะหาวิธี อย่างไรที่จะปรับตัวเองให้ถูกต้องบางคนเบื่อเครียดกินเหล้านี่เขาก็มีสตินะแต่มีสติไปในทางที่ไม่ดีอมีปัญญาบางคนก็เบื่อเครียดไปเที่ยวดีกว่านะบางคนเบื่อเครียดโอ้ยไปเดินช้อปปิง้งไปเดินห้างไปกินข้าวนี่คือสติปัญญาของมนุษย์มนุษย์เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกแล้ว เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสัตว์เดรัจฉานก็มีสติปัญญาไม่เท่ามนุษย์รู้สัตว์เดรัจฉานก็รู้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ก็ไม่เท่ามนุษย์ยังไงก็ต้องตกเป็นเหยื่อมนุษย์อยู่วันยังคำ่ำมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วในโลกนี้นะสติปัญญานี่มากมายมหาศาลนะ ถ้าคนเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยขับรถมาไม่ถึงวัดแน่นอนนะขับรถก็ต้องใช้สติขับมาตลอดต้องมีสติมาตลอดทางเผลอก็เดี๋ยวก็ไปจิ้มโตขาแน่นอนเพราะว่าขาดสติเนี่ยตัวสติสำคัญ พเรารู้ว่าเราจะปรับสมดุลร่างกายชีวิตเรายังไงเราจะเอาปัญญามาใช้กับตัวเรายังไงจะเอาสติมาอยู่กับตัวเรายังไงเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเรามากขึ้นหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันบวชมา20กว่าปีนะปีนี้ย1ยี่จากย่าง22พรรษานะสเิเมษาสหนึ่งนะบวชสเเมษาสี่หนึ่ง ไม่เคยชวนญาติพี่น้องเข้าวัดเลยจะพูดได้ฟังนิดหนึ่งญาติพี่น้องไม่เคยชวนเลยแม้กระทั่งโยมพ่อเนี่ยใครยังไม่มีใครรู้จักเลยนะมาคือหลังๆมาบ่อยแต่ก็ไม่เคยปรากฏตัวคือโยมพ่อเนี่ยก็ไม่เคยชวนอ่าก็ไม่เคยชวนพี่ป้านะอาแต่คนไม่เคยชวน เขาคิดว่าการที่เราไปดึงไปลังมากเกินไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแน่นอนพอเราไปดึงเกินไปจะมีอาการมนุษย์จะมีอาการเบื่อแล้วสมมติว่าโยมนั่งฟังนานๆเนี่ยโยมก็มีอาการมีไหมมีไหมมีไหมมีนี่ไงคือพูดให้เห็นอาการว่าอาการมันเป็นยงให้เห็นชัดเจนโยมอยู่กับปัจจุบันก่อนนะนะ อยู่กับปัจจุบันก่อนนี่คือไอเห็นอาการว่าที่มันเกิดขึ้นนี่คืออาการของมนุษย์อาการที่แท้จริงที่มันจะเกิดขึ้นในอาการของมนุษย์คนพูดเองถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมต้องพูดพูดเพื่อให้โยมได้เข้าใจให้เข้าใจอาการที่มันเกิดตามความเป็นจริงโยมจะได้เห็นชัดเนี่ยพูดนานๆก็เบื่อพูดจุดนั้นแหละเมื่อไหร่จะสวดสักทีเมื่อไหร่จะให้ใส่บาตรสักที เมื่อไรจะเสร็จสักทีเมื่อไร่จะเลิกสักทีนี่คืออาการของมนุษย์นี่คือพฤติกรรมของมนุษย์โฮมินักวิทยาศาสตร์ตั้งหลายคนที่พยายามศึกษาชีวิตของมนุษย์นะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันต้องดําเนินไปยังไงต้องอยู่กันยังไงชีวิตของมนุษย์เนี่ยเขาศึกษาเขาขออยัางหาคําตอบไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์เนี่ยซับซ้อนมากญาติพี่น้องเช่นเดียวกันอาเอ๋ยพี่ป้าน้าอาหลานเลนหล้ น, ลนไม่เคยชวนมาวัดให้มาเองอยากมาให้มาเอง เราเป็นพระเราก็ได้คิดว่าเอ๊เราจะทํายังไงให้ญาติพี่น้องเราพ้นจากขุมนรกสักทีนาะขาญาติพี่น้องตกอยู่ในขุมนรกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราดึงได้ขึ้นแค่ข้างเดียวเราจะใช้สติปัญญาของเรายังไงดีเนาะดึงขาญาติพี่น้องทุกคนขึ้นมาจากนรกให้ได้ก็ยังคาอยู่คนละข้างคนละข้างขาเนี่ยคาหลุมอยู่ในนรกคนละข้างคนละข้างเราจะพยายามทํำยังไงเพื่อให้ญาติพี่น้องมาวัดให้ได้ ได้ก็ได้ไม่มากก็มาบ้างงานกะถินก็มาสักครั้งหนึ่งบางปีก็ได้มาบางปีก็ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรไม่ชักโจนไม่ดึงดูดไม่โน้มน้าวไม่อะไรทั้งนั้นก็พยายามไม่คิดเพราะคิดว่าญาพี่น้องเนี่ยมีสภาวะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าให้เกียรติ ทางบ้านจะให้เกลียดกันใครเป็นอาใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นป้าจะให้เกลียดกันถือว่าใครที่มีสภาวะที่ดีกว่าที่ใหญ่กว่าก็จะให้เกลียดกันจะไม่ก้าวกายกันก็ปล่อยแต่ปีนี้ก็น่าภูมิใจมาได้ทุกครอบครัวมาด้วยความที่ไม่ได้บอกให้มานะมากันหมดทุกครอบครัวขับรถกันมาหกเจ็ดคันตุเรงตุเรงกันมาประมาณสามสิบกว่าคนมายังมาไม่หมดนะ ญาติพี่น้องให้มาหมดทุกตระกูลทุกฝ่ายคันรถสิบล้อก็ไม่พอนะไม่ไม่ชวนนิยมพ่อนี่นั่งหน่อยยมพ่อหลวงพ่อลุกมาโชว์ตัวหน่อยได้ไหมยมพ่อ <laughs> จะโทรตัวยมพ่อหน่อยลุกมาโชว์ตัวหน่อยไกว่าจะเข้าวัดได้กว่าจะไปเรียนสมาธิกว่าจะใส่ชุดขาวไม่เคยบังคับนี่มาก็ไม่ได้บังคับมาไม่ได้บังคับนะ จากบวชบวชเองไม่บังครับเอาขาขาเน็บลุกไม่ไหวนี่ดูน่ายมพ่อหน่อยนี่น้ายมพ่ออะถอนแม่นด้วยโยมนี่น่ายมพ่อหันหน้าไปทางโน้นนี่น่นาโยมพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อคนนี้สองของแม่ พ่อคนแรกเสียที่พ่อคนที่สองเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตเหมือนกันกว่าจะใส่ชุดขาวได้กว่าจะไปเข้าอะไรของหลวงพ่อวิลี่ยังไปเรียนสมาธิได้ไม่ได้บังคับแต่อาเป็นคนบังคับเป็นคนดึงเป็นคนลากเป็นคนจูงไปตลอดอา่านะอาฝันอาฝันที่เรียกอาอากันนะกว่าจะมาได้ทุกคนก็เช่นเดียวกัน คือทุกคนเนี่ยพอเรามาวัดเราไม่รู้หรอกเราจะได้อะไรบ้างบางคนก็ได้สิ่งที่ดีกลับไปบางคนก็ได้สิ่งที่ไม่ดีกลับ